1.24 สองการภาวนาต้องอดทนแต่ไม่รีบร้อนการภาวนาไม่ยากแต่ต้องอดทนไม่รีบร้อนให้เดินไปวันละเก้าสองเแต่อย่าอยู่นิ่งอย่าถอยหลังพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญการอยู่นิ่งท่านบอกคุณงามความดีต้องพัฒนาไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องรีบร้อนพัฒนาถ้ารีบร้อนพัฒนาจะล้มเหลวเลยเพราะทำด้วยโลภะความอยากให้คอยรู้กายคอยรู้ใจรู้ไปเล่นๆรู้ไปทุกวัน แล้วมันจะพัฒนาไปเองแล้วจะอ๋อจิตมันปฏิบัติของมันเองเราไม่ได้ปฏิบัติเกิดกุศลอกุศลมันรู้เอง